ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าร่างกายพวกเราถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมเราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่เราจะต้องคอยปกป้องเลี้ยงดูรักษากันอย่างเต็มที่แต่ความเป็นจริงแล้วมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายก็คือจิตใจที่เราไม่รู้จักกันที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรจิตใจนี้มา อยู่กับร่างกายตอนที่เกิดการปฏิสนธิในท้องของมารดาเวลาเกิดการผสมพัน์กันแล้วเกิดการตั้งครรภดวงวิญญาณคือจิตใจนี้ที่ไม่มีร่างกายจะเรียกว่าดวงวิญญาณก็จะมาร่วมอยู่กับร่างกาย เป็นเหมือนมาเป็นฝาแฝดเป็นคู่แฝดเป็นแฝดสยามหรือเป็นสามีภรรยาอยู่ร่วมกันจเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มีปฏิสนธิอยู่ในอยู่ในท้องของมารดา mm. ก็จะอยู่กันไปจนถึงเวลาที่ร่างกายจเจริญเติบโต ไม่สามารถอยู่ในคันของมันดาได้ก็จะคลอดออกมามาอยู่ข้างนอกคันแล้วก็มาเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนชรา <c oughs> เป็นคนเจ็บแล้วก็ตาย ตอนที่ตายร่างกายกับจิตใจก็แยกทางกันไปนี่คือเรื่องของจิตใจที่มาพบกับร่างกายมาอยู่กับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดอยู่กันไปจนถึงวันตายพอตายก็แยกจากกันไป ถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันเราจะคิดว่าเป็นคนเดียวกันเราคิดว่าจิตใจอยู่ในร่างกายอยู่ที่สมองเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปด้วย เราเลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับจิตใจเราให้ความสําคัญกับร่างกายเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีอาการครบสาสบสองไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ถึงจะสามารถพาเราไปหาความสุขต่างๆได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเราเลยให้ความสำคัญกับร่างกายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกาย เพราะว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะได้รับผลต่างๆจากการกระทำของร่างกายเวลาร่างกายทำความดีก็จะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาเวลาร่างกายทำไม่ดี ก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราไม่เห็นผลไม่เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างร่างกายกับจิตใจเราก็เลยไม่ค่อยไปให้ความสําคัญกับจิตใจเราต้องการความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าการหาความสุขทางร่างกาย จะทำให้ต้องทำไม่ดีเช่นทำบาปเราก็จะทำกันเพราะเราอยากได้ความสุขเช่นการประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็เป็นการหาความสุขทางร่างกายถ้าเราชอบใครเราไม่สนใจว่าเขาจะมีสามีมีภรรยาหรือไม่ ถ้าเราชอบเราก็อยากที่จะไปเอาเขามาให้ความสุขกับเราเช่นไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นเราได้ความสุขจากการที่ไปมีความสุขกับสามีภรรยาของผู้อื่นแต่เราก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับสามีภรรยาของผู้อื่นเขา แล้วถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาเขาก็จะมาทำร้ายเราทาร้ายเวลาทร้ายร่างกายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา อ, อันนี้เราให้ความสำคัญกับการหาความสุขทางร่างกายแต่กับจะต้องมาทุกข์ทางจิตใจ จิตใจของเรานี่ทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาทุกขเพราะเราทำในสิ่งที่ไม่ดีกันอยากได้อะไรเราก็พยายามทำตามความอยากของเราถ้าจะต้องทำบาปเช่นถ้าจะต้องฆ่าต้องลักทรัพย์ต้องประพฤติผิดประเวณี ต้องโกหกหลอกลวงเราก็จะทำกันเพราะเราคิดว่าทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขสั้นๆเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้กระทำแต่มันจะมีความทุกข์ความไม่สบายใจตามมาในภายหลังเพราะเมื่อเราทำบาปแล้ว เราจะรู้สึกไม่สบายใจความไม่สบายใจนี้นะอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราจึงสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอยู่เรื่อยๆแทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจเรากลับไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความหลงผิด ไม่เห็นความสําคัญของใจกลับไปเห็นความสําคัญของทางร่างกายบางทีเราต้องทําบาปเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราก็ทําเพราะเราต้องการให้ร่างกายเราอยู่ไปนานๆเพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเช่นเวลาที่เราอดอยากขาดแคลน บางทีเราก็ต้องไปทำบาปไปลักขมโมยข้าวของเงินทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายร่างกายได้รับการเลี้ยงดูร่างกายสบายแต่ใจกลับเป็นผู้รับโทษใจกลับไม่สบายใจกลับเกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวจากการกระทำบาปของตน นอกจากความรู้สึกที่ไม่ดีในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่จะต้องไปรับผลของการกระทําต่างๆของทางร่างกายต่อไปถ้าทำดีใจก็จะไปรับผลในสวรรค์ เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขถ้าใจทำบาปทางร่างกายเวลาตายไปใจก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์เรียกว่าอบายในรูปแบบของเปรตบ้างของอสูรกายบ้างของนรกบ้าง หรือถ้าไปได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปทางร่างกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดอันนี้จะทำให้มีผลต่อจิตใจทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เรารู้ว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะร่างกายเป็นของชั่วคราว อยู่ไปไม่เกินน้อยปีก็ต้องมีสภาพหมดสิ้นไปจะต้องย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือธาตุดินน้ำลมไฟไม่ควรที่จะรักษาเลี้ยงดูร่างกายด้วยการกระทำที่มีผลกระทบต่อจิตใจเพราะจิตใจนี้จะต้องเป็นผู้รับผล ที่เกิดจากการกระทำบาปของทางร่างกายรับตั้งแต่ในขณะที่ทําและหลังจากที่ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เรามารักษาร่างกายด้วยแล้วก็ให้รักษาจิตใจด้วยเช่นเราเลี้ยงดูร่างกายเราก็เลี้ยงดูด้วยการไม่กระทําบาป ถ้ามีอาชีพก็อย่ามีอาชีพที่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นร่างกายก็อยู่ได้ใจก็สบายใจก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษตามมาแล้วถ้าเราอยากจะหาความสุขทางร่างกายก็ให้หาด้วยการที่ ไม่ไปทำบาปถ้าอยากจะมีแฟนก็อ ย, าย่าไปแย่งแฟนของคนอื่นเขาเอาแฟนที่เอาคนที่ไม่มีแฟนคนที่ไม่มีภรรยาไม่มีสามีถ้าเป็นลูกถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็ต้องไปขออนุญาต จ, จากบิดามารดาของเขาก่อน ต้องมีพิธีมั่นพิธีแต่งงานเพื่อที่จะได้ให้สังคมเขารับรู้ว่าบุคคลสองคนนี้เป็นของกันและกันไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอันนี้เป็นเป็นประเพณีของมนุษย์ที่ต่างจากประเพณีของสัตว์ในรัชชาน สัวเดรัจฉานเขาไม่มีประเพณีมั่นกันไม่มีประเพณีแต่งกันเขาพบกันที่ไหนเขาเกิดความใคร่เกิดความอยากกันเขาก็ไปร่วมหลับนอนกันซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคจรวดยุคที่ใจร้อนพอเจอกันที่ไหนเดี๋ยวก็ไปร่วมหลับนอนกันไปเจอกันตามผับตามบาร์ตามสถาน บันเทิงต่างๆพอถูกใจกันพูดคุยกันก็ชวนชวนกันไปเข้าโรงแรมมานรูดกันอันนี้เรามนุษย์เริ่มเอาประเพณีของสัตว์เดรัจฉานมาใช้การเอาประเพณีของสัตว์เดรัจฉานมาใช้นี้จะทำให้จิตใจที่เป็นมนุษย์นี้กลายเป็นจิตใจของสัตว์เดรัจฉานไป มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนี่ต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่มีศีลห้าหรือไม่มีศีลห้านี่เองถ้าสังเกตดูสัตว์เดรัจฉานนี่เขาจะไม่มีศีลห้าเขาจะฆ่ากันเพื่อเพื่อเอาตัวเอาตัวรอดสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอันนี้เป็นเป็นกฎของสังคมของสัตว์เดรัจฉาน เขาอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นถ้าไม่ฆ่าก็อยู่ด้วยการขโมยของของใครเขาไม่สนใจถ้าเขาอยากได้ถ้าคว้าถ้าเขาคว้าไปได้เขาก็คว้าออกไปสังเกตดูของที่เราตั้งไว้ในบ้านอาหารถ้าเผลอถ้ามีสัตว์เลี้ยงแบบหมาแมวนี่เดี๋ยวเผลอมันอยากกินมันก็คว้าไปกิน มันไม่รู้จักคําว่าขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราอยากจะได้ของของใครเราต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนเราจะได้ไม่ทําสิ่งที่เสียหายต่อผู้อื่นพอเวลาทําสิ่งที่เสียหายต่อผู้อื่นมันจะมีผลกลับมาที่ผู้กระทำเอง ผู้กระทำจะต้องถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือจะถูกถูกลงโทษถูกตำหนิลงโทษได้ <c oughs> ถ้าไม่อยากที่จะต้องรับโทษ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะต้องมีความไม่สบายใจก็ต้องรักษาประเพณีของมนุษย์คือต้องเคารพสิทธิของกันและกันอยากจะได้อะไรก็ต้อง ดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีเจ้าของหรือเปล่าเราสามารถไปเอามาได้โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเปล่าต่อผู้อื่นถ้ามีเราก็ต้องไม่ควรจะทําเพราะเวลามันเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นมันจะกลับมาหาเราอผู้ที่เสียหายเขาจะต้องมาหาเรื่องกับเรามา อาฆาตพยาบาทมาจองเวรจองกรรมนี่คือเรื่องของจิตใจที่มามีร่างกายแล้วก็มาใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน จะอยู่กันแบบไม่มีความสุขใจถึงแม้จะหาความสุขได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ใจตามมาความสุขที่มีโทษตามมาคือการหาความสุขนี้วิธีที่มันง่ายและเร็วก็คือหาด้วยการไม่หาด้วยการกระทําบาปนั่นเอง อยากได้เงินง่า ย, ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็ไปลักขโมยไปช่อโกงอย่างนี้ได้มากกว่าเงินเดือนที่หามาได้คนจึงมักจะทำบาปกันเพราะไม่เห็นผลของการกระทาบาปเห็นแต่ผลดีที่เกิดจากการกระทำบาปไม่เห็นผลเสียที่เกิดจากการกระทำบาป เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจความรู้สึกทางจิตใจแล้วตอนทำบาปใหม่ๆความรู้สึกของจิตใจก็ดีเวลาได้สิ่งที่อยากได้มาก็ดีใจมีความสุขเอาเงินทองที่ได้มาไปใช้ไปซื้อความสุขต่างๆก็เห็นว่าเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความทุกข์ แต่พอใช้หมดก็จะต้องไปหาแบบเดิมอีกก็ไปขโมยไปโกงไปทำอะไรผิดกฎหมายผิดศีลแล้วทำอีกแล้วถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดเกิดโทษขึ้นมาคือจะต้องถูกจับได้พอถูกจับได้แล้วทีนี้ความสุขที่เคยได้จากการกระทำก็จะหายไป ก็าจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถูกจับได้เขาก็อาจจะจับไปขึ้นศาลจับไปลงโทษติดคุกติดตารางต่อไปนี่เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่คิดอย่างรอบคอบก่อนว่าทําอะไรไปแล้วจะมีผลดีผลเสียอย่างไรได้คุ้มกับเสียหรือไม่ ได้ความสุขมาแต่เป็นความสุขที่ชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพ อ, อหมดไปถ้าไปถูกจับได้ก็จะต้องถูกไปจับไปลงโทษสู้หาเงินทองแบบสุดจริตไม่ดีกว่าเอยไม่ต้องไปทาบาปไม่ทำผิดกฎหมายเงินทองที่ได้มาก็จะไม่มีโทษติดตัวมา จะไม่มีใครมาจับไปลงโทษไม่ต้องไปติดคุกติดตารางอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะเห็นกันหรืออาจจะไม่เห็นกันก็อยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนหรืออยู่ที่การมีผู้รู้คอยสั่งคอยสอนหรือไม่ ถ้าเกิดอยู่เกิดในครอบครัวที่มีคนฉลาดเขาก็จะสอนไม่ให้ทำบาปจะทำอะไรก็ทำด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วจะไม่มีโทษตามมาเขาเห็นโทษเพียงแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เขาไม่รู้ว่านอกจากโทษที่ เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปยังมีโทษติดตัวไปด้วยเพราะว่าใจที่มาอยู่กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้จะต้องถูกกฎแห่งกรรมเป็นผู้ดำเนินการต่อไปคือใจนี้ จะต้องไปเกิดต่อจะไปเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีหรือไม่ดีเกิดแบบมีความสุขหรือเกิดมีความทุกข์เกิดจากการกระทาในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำอะไรด้วยการกระทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่อาจจะมีความสุขเพราะมีเงินหาเงินไดมามาก สามารถเอาเงินไปใช้จ่ายซื้อความสุขต่างๆได้แต่ถ้าเป็นเงินที่ไม่สะอาดเป็นเงินที่ผิดศีลธรรมมันมีโทษติดมาที่ใจจะต้องเป็นผู้รับโทษต่อไปอันนี้จะไม่มีใครรู้กันนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาธรรมชาติของจิตใจ ผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นคนละคนกับร่างกายเป็นคนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้เวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคือจิตใจสั่งให้ทาบุญสั่งให้ทาบาป จิตใจเป็นผู้สั่งให้ทำร่างกายเป็นผู้กระทำเมื่อกระทำแล้วผลก็กลับไปที่จิตใจทำบุญก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทำบาปก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ทำบุญทำบาปถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นจะไม่รู้ จะจะดูแต่สิ่งที่อยากได้เท่านั้นอยากได้อะไรพอได้สิ่งที่อยากได้มาก็มีความสุขโดยที่ไม่ได้ดูว่าจะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ตามมาต่อไปถ้าได้มาโดยวิธีสุจริตก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าได้โดยวิธีทุจริตด้วยการทําบาป ก็จะได้ความทุกข์ตามมาต่อไปนะอันนี้ถ้าไม่คอยสังเกตจะไม่เห็นจะเห็นแต่สิ่งที่อยากได้จะเห็นแต่ความสุขที่อยากได้แล้วพอเวลาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาในภายหลังก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุมาจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นสาเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปมา แล้วเวลาที่ตายไปก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไปอยู่ในสภาพแบบใดนี่คือเรื่องของจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีความสำคัญกว่าร่างกายเพราะว่าจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจยังต้องอยู่ต่อไปแล้วก็อยู่แบบไม่มีวันตาย จะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์เนี่ยจิตใจที่ไม่มีการดูแลรักษานี้จะเป็นจิตใจที่จะต้องละเหเลล่อนไปเรื่อยๆในการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆภพดีบ้างภพไม่ดีบ้างตามอำนาจของบุญของบาปที่ทำไว ในขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปจิตใจก็จะต้องไปละเห่เลล่อนตามอำนาจของบุญของบาปถ้าบาปทําบาปไว้บาปเป็นผู้พาไปก็จะไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกข์เพราะความหิวโหวยทุกข์เพราะความหวาดกลัว ทุกข์เพราะความเครียดแท้นอาคาดพยาบาทอันนี้เป็นสภาพหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจจะต้องไปรับผลบาปถ้าทำบาปไว้ถ้าทำบุญจิตใจก็จะไปรับผลบุญบุญก็จะทำให้จิตใจอ ย, อยู่ในสภาพที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขในรูปแบบต่างๆ ความสุขจากการได้ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเน่เพราะตอนที่ไม่มีร่างกายนี้ใจยังสามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ใช้ร่างกายคือตาหูจมูกนิ้นกายเสบเสบทางใจ รูปเสียงกลิ่นรสทางใจนี้เราเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเช่นตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันไปเนี่ยความฝันนี้แหละเป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราไม่ได้ใช้ตาดูเวลาเรานอนหลับเราปิดตาร่างกายนี้พักผ่อนแต่จิตใจนี้ยังไป ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นรูปทิพเสียงทิพถ้าทำบุญเวลานอนหลับก็จะฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆถ้าทำบาปก็จะฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มีแต่ความหวาดเสียวหวาดกลัวเรื่องที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบาก เรื่องที่มีแต่การฆ่าฟันกันทำลายล้างกันการแกล้งกันอันนี้เป็นสภาพของจิตใจตอนที่ไม่มีร่างกายความฝันนี่แหละเป็นตัวอย่างของสภาพของจิตใจที่จะเป็นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเรานอ น, อนหลับฝันไม่ดีอยู่เรื่อยๆ แสดงว่าเวลาตายไปเนี่ยจิตใจเราจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่ า, าบาปที่เราทานั้นมันหมดกำลังที่จะสร้าง เ, าเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้เสพสัมผัสในรูปแบบของความฝันแล้วพอหมดกำลังของบาปหรือหมดกำลังของบุญแล้ว เราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมามีร่างกายใหม่ทําไมยังต้องกลับมามีร่างกายก็<อ>เพราะว่าภายในใจนอกจากมีบุญมีบาปแล้วยังมีกิเลสตัณหาอยู่กิเลสตัณหาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากขาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่ยากจนไม่ลำบากความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่จะไปดึงให้ดึงจิตไปไ ป, ไปมีร่างกายอันไปมีร่างกายอันใหม่เวลามีการตั้งท้องขึ้นมาจิตใจก็จะไป ครอบครองร่างกายที่อยู่ในท้องถ้าไม่มีจิตใจดวงอื่นไปถึงก่อนเหมือนกับขับรถหาที่จอดรถใครไปถึงที่จอดรถที่ว่างก่อนก็เข้าไปก่อนใครไปเจอร่างกายที่กําลังตั้งครันไม่มีใครไปไปไปจับจองอก็ไปจับจองกันได้ น, นแล้วพอจับจองได้ร่างกายก็รอให้ร่างกาย จเจริญเติบโตแล้วคลอดออกมาถ้าเจอแม่ที่ไม่พร้อมก็อาจจะไม่ได้คลอดออกมาแม่ก็อาจจะไปทำแท้งซะก่อนก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อท้องนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องที่จอดรถอันนี้จอดไม่ได้ก็ต้องไปขับไปหาที่จอดอันใหม่ในจนกว่าจะได้ร่างกายที่จอดได้ร่างกายอันใหม่ก็จะคลอดออกมา พอพ่อออกมาก็จะสั่งให้ร่างกายไปทำตามความอยากทันทีอยากดูอยากฟังเด็กมันอยากได้อะไรมันก็ร้องบอกพ่อบอกแม่พอพอพ่ อ, พ อ, พอแม่หาสิ่งที่อยากได้ก็หยุดร้องอยากดูก็หาตุ๊กตามาให้ดูให้เล่นอยากฟังก็หาอะไรให้ฟังพอได้ดูได้ฟังได้เล่นก็หยุดร้อง พออยากกินก็ร้องขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ไปหาอะไรมาให้กินพอได้กินก็หยุดร้องไปก็จะทำตามความอยากไปเพราะนี่คือธรรมชาติของจิตใจที่มีกิเลสตัณหาครอบงำอยู่ในใจจะคอยกระตุ้นให้จิตใจนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะร้องโวยวายขึ้นมาถ้าเป็นเด็กก็ร้องไห้ผู้ใหญ่บางทีก็ยังร้องไห้เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ร้องไห้ก็มีถ้าไม่ร้องไห้ก็โวยวายก่อเหตุก่อเรื่องก่อล่าเพื่อที่จะได้รับความสนใจได้รับการตอบสนองความต้องการตามความอยากต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจ ของพวกเราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาทําบุญทำบาปผ่านทางร่างกายเพราะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่สามารถได้ตามได้ด้วยวิธีสุดจริญไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็ถ้าหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็จะไปหาโดยวิธีผิด ศีลธรรมผิดกฎหมายเราจะมีข่าวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เลยว่าคนนั้นไปปนไปจี้ไปกองไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้อันนี้ก็เกิดจากความอยากที่มีในใจของบุคคลนั้นๆอยากได้แล้วถ้าไม่สามารถทำตามที่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ก็จะไปทําผิดกฎหมายผิดศีลผิดศีลธรรมทําแล้วก็บางครั้งก็ถูกจับได้ถูกจับได้ก็กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไป น, นี่แหละคือชีวิตของมนุษย์เราที่อยู่กันทุกวันนี้อยู่ด้วยความอยากกันหาความสุขผ่านทางร่างกายกันหาความาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ถ้าโชคดีก็ไม่ต้องไปทำบาปถ้าโชคไม่ดีก็ต้องไปทำบาปเ พ, าเพราะการอยู่โดยไม่มีความสุขนี้อยู่ไม่ได้ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยู่เรื่อยๆแล้วเลยต้องมาทำบุญกันทำบาปกันพวกที่ทำบุญก็คือพวกที่โชคดี เกิดแล้วล่ํารวยเกิดแล้วมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อาจจะเป็นโชคหรืออาจจะเป็นบุญเก่าส่วนหนึ่งก็บุญเก่าก็มีเป็นเหตุทาให้มาเกิดล่ํารวยได้พวกที่เคยทําบุญมาในอดีตพอมาเกิดในชาติใหม่นี้ก็จะมีฐานะการเงินการทองดีเพราะบุญที่ทําไวน้นี้ไม่สูญหายไป บนี้กลับมารอรับเรามามาต้อนรับเราเป็นเงินเหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคาร <c oughs> ก็จะไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับการทำบาปเพราะต้องการอะไรก็มีเงินที่จะซื้อได้แต่ถ้าไม่ระวังต่อไปก็เงินก็อาจจะหมดได้ <c oughs> ถ้าปล่อยให้ใช้เงินตามความอยากโดยไม่คอยควบคุม ต่อไปเงินทองที่มีสะสมไว้ก็อาจจะหมดได้ถ้าหมดแล้วแต่ความอยากได้ของต่างๆมันไม่หมดไปกับเงินทองมันยังอยากอยู่เวลาอยากแล้วไม่ได้มันก็ทำให้ใจหดหิดลำคาญใจไม่สบายจะระบายความหดหิดลำคาญนี้ก็ต้องไปทำตามความอยากเมื่อทำทาตามความอยากโดยวิธีสุดจริลุไม่ได้ก็เลยต้องไปทำตาม วิธีทุจริตก็ต้องไปทำบาปก็จะไปสะสมบาปไว้ในดวงจิตดวงใจถ้ารู้จักควบคุมจิตใจรู้จักควบคุมความอยากก็จะไม่ต้องไปทำบาปก็จะคอยดูแลรักษาเงินทองไว้ให้มีพอเพียงต่อการใช้สอยอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะไม่ต้องไปทำบาปและถ้ามีเหลือมากก็อาจจะเอาไปทำบุญต่อได้อันนี้ก็อยู่ที่เรื่องการควบคุมจิตใจควบคุมความอยากต่างๆของจิตใจถ้ารู้จักควบคุมรู้จักดูแลรักษาเงินทองรู้จักหาเงินทองโดยวิธีสุดจริญก็จะไม่ต้องไปทำบาปแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำบุญ พวกนี้เป็นพวกฉลาดพวกที่เป็นคนดีตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลบาปในอบายตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาชั้นต่างๆดวงวิญญาณที่เป็นเทวดาก็ดวงวิญญาณที่ฝันดีนั่นเองเหมือนตอนที่นอนหลับแล้วฝันดีฝันได้ไปเที่ยวที่นั่นได้เป อยู่กับคนนั้นคนนี้ที่เราลักที่เราชอบฝันว่าเรามีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองอยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็สามารถทำตามใจอยากได้ น, นี่คืออนุภาพของบุญที่จะส่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในสภาพแบบนอนดับฝันดีไปจนกว่า บุญที่ทำไว้หมดกำลังลงก็จะได้กลับมามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญใหม่มาทําความดีใหม่มาหาความสุขทางร่างกายใหม่แล้วก็มาทุกตอนปลายตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเพรตอนนั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ นี่คือปัญหาของการที่มาเกิดเมื่อเกิดแล้วมันมีครึ่งหนึ่งมีส่วนที่เป็นสุขและมีส่วนที่เป็นทุกข์ช่วงที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ช่วงที่มีฐานะการเงินการทอง ดีสามารถที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้ร่างกายก็สามารถตอบสนองความต้องการได้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ทำได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของความสุขแต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชราร่างกายเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยดัง น, นั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบที่ ตอนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่ามุมมุมมุมลบของร่างกายของการมาเกิดมุมบวกก็ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถหาความสุขต่างๆได้อย่างต่อเนื่องแต่พอมาเข้าสู่วัยชราร่างกายเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ หรือเกิดมีอาการพิกลพิการขึ้นมาตอนนั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ก็จะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเป็นส่วนใหญ่แล้วยิ่งถ้ารู้ว่าจะต้องตายนี้ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากว่าไม่มีใครอยากจะตายกันนี่คือปัญหาของการมาเกิดถ้าเรา ไม่รู้จักคิดกันเราก็อาจจะทนอยู่กับสภาพนั้นไปเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเมื่อเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยากจะหาคำตอบหาทางออกจากปัญหานี้เราก็อาจจะขวนขวายศึกษาค้นคว้าดูเราก็อาจจะเจอทางออก ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกก็ได้แล้วแต่ว่าความรู้นี้มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่ความรู้ที่เกี่ยวกับการที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้นานตานจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรตว์ความรู้อันนี้ผู้ที่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะทําให้ดวงดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเกาะร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอันใหม่เพราะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบสาเหตุว่าทําไมดวงจิตดวงใจที่เป็นดวงวิญญาณยังต้องมาเกาะร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่ายังมีความอยากอยู่นั่นเอง ยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ยังอยากมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไปดูไปฟังไ ป, ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้นี้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมาเกิดมามีร่างกายถึงจะทำได้แต่ถ้าหยุดความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สรงคนพบวิธีที่จะหยุดการมาเกิดด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจพระองค์เป็นผู้ทรงพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจความอยากที่ต้องหยุดนี้มีอยู่สาสามชนิดใหญ่ๆเรียกว่ากามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่พเนี่ภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่วิภาวะตันหาความอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ไม่อยากมีนั่นมีนี่ความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่จะคอยกระตุ้นใจให้เวลาที่ไม่มีร่างกายให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะต้องมีร่างกายอันใหม่ถึงจะตอบสนองความอยากได้ ถ้าไม่มีร่างกายจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปดูไปฟังอะไรก็ไม่ได้แต่พอมีร่างกายแล้วพอมีตาขึ้นมาอยากจะดูอะไรก็ใช้ตาดูได้อยากจะฟังอะไรถ้ามีหูก็ใช้หูฟังได้แต่ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีมีร่างกายไม่จาเป็นที่จะต้องมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็จะได้ไม่ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ต้องมาเจอกับการพัดพรากจากกันละกันที่เป็นความเศร้าโศกเสียใจอย่างที่ใหญ่หลวงเวลาที่เราจากกันนี้ไม่เห็นมีใครหัวเราะดีใจมีแต่คนร้องห่มร้องไห้กันแต่ทุกคนจะต้องเจอกันถ้ามาเกิดเพราะโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสิ้นสุดลง ต้องมีการจากกันถ้าไม่อยากที่จะมาเจอสภาพที่ไม่ดีของการมาเกิดก็ต้องหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจการจะหยุดความอยากที่อยู่ภายในใจได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิ ป, ปัญญานี่เองต้องถือศีล ต้องระ ง, งับการกระทําตามความอยากต่างๆทางร่างกายคือคือถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยผู้ที่จะหยุดความอยากนี้ต้องใช้ศีลแปหยุดหยุดความอยากที่จะร่วมรับนอนกับแฟนถ้าถือศีลห้านี้ยังอนุญาตให้หลับนอนกับแฟนได้ศีลห้านี้เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ใจไปเกิดในอบาย แต่ยังไม่สามารถหยุดความอยากที่จะพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆได้ถ้าต้องการหยุดความอยากที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต้องถือศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดจะหยุดความอยากจะห้ามไม่ให้ทำตามความอยากเคยถือศีลห้าเคยร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าอยากจะ ถือศีลแปดก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้ศีลข้อสามก็จะเปลี่ยนจากกาเมสุมิช า, ารามาเป็นอะประมาจารยาเวรามณีถือศีลพรมจารย์พรมจารย์รรยก็พูดผู้ที่ไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่หาความสุขจากการเสพกามพรหมนี่เขาหาความสุขจากการเข้าฌานเข้าสมาธิทำใจให้สงบถ้าต้องการหยุดความอยากในกามก็ต้องถือศีลแปดเป็นจุดเริ่มต้นแต่ศีลแปดก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้อยา่างถาวนไม่สามารถทำลายความอยากให้หมดไปได้เพียงแต่ห้ามไวเท่านั้นเองเพียงแต่เบรกไว้ เช่นวันพระถือศีลแปดก็จะไม่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนแต่ถ้าพอพ้นวันพระถ้าไม่ได้ถือถึงแปดความอยากร่วมหลับนอนกับแฟนก็ยังมีอยู่ก็จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนใหม่แต่ต้องมีจุดเริ่มต้นการถือศีลนี่มันง่ายกว่าการทําสมาธิการหยุดความอยากด้วยศีลนี่มันง่ายกว่าหยุดความอยากด้วยสมาธิ ความหยุดความอยากด้วยปัญญามันมันก็ยากกว่าการหยุดด้วยสมาธิแต่มันมีผลต่างกันการหยุดความอยากด้วยด้วยศีลนี้มีกำลังน้อยออพอเกิดความอยากมากๆก็ไม่ถือศีลแปดเสียกลับมาถือศีลห้า อ, อย่างญาติโยมที่มาอยู่วัดนี่ก็มาถือศีลแปดกันพออยู่ได้สักสามวันห้าวันก็ขอกลับบ้านนะ ขอเปลี่ยนจากศินแปดไปเป็นสินห้าก็ห้ามได้เป็นพักๆในช่วงไหนที่มีกําลังใจฮึดสู้ก็เอามาถือศินแปดซะหน่อยมาสู้กับความอยากซะหน่อยพอสู้ไปสักพักสักขืดขึ้นคอสู้ไม่ไหวก็ขอลาศีนกลับบ้านไปกลับไปถือศีนห้าหรือบางทีอาจจะต่ํากว่าศีลห้าก็ได้บางทีสินข้อที่ห้าก็หายไปก็ได้ กลับไปดื่มสุราไปกินงานไปงานเลี้ยงไปก็มีงานเลี้ยงก็มีฉลองก็ต้องมีการดื่มอวยพรกันอก็ต้องมีสุรงสุราขึ้นมาศีน่าก็เลยเหลือศีนสีอนี่คือศีลมันมันพอจะห้ามได้แต่แต่ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ถ้าความอยากมันมีกําลังมากกว่าศีนมันก็แหกคอกได้มันก็อ ถ้าต้องการที่จะหยุดศีลแบบ เ, เต็มที่นี้ต้องหยุดด้วยสมาธิอืถ้าเข้าสมาธิได้นี่ความอยากมันจะหายไปหมดแต่มันก็หายชั่วคราวหายชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาได้อื ความความอยากไม่หายไปอย่างถาวนหายเฉพาะช่วงที่เข้าไปในสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบนี้ความอยากหายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นคนอื่นเขากินกาแฟเดี๋ยวก็อยากจะกินกาแฟขึ้นมาเห็นเขากินขนมก็อยากจะกินขนมขึ้นมา ถ้าอยากจะทำลายแบบท้าวรนี้ต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือขั้นปัญญาต้องเห็นสิ่งที่เราอยากจะกินอยากจะดืม่มนี่ว่ามันไม่น่ากินน่าดืม่มทำยังไงถึงจะเห็นว่ามันไม่น่ากินน่าดืม่มก็ต้องดูตอนที่มันเข้าไปในปากในท้องถ้าเห็นมันตอนนั้นแล้วมันจะไม่อยากจะดืม่มไม่อยากจะกินลองดูอาหารที่เรากินเข้าไปในท้องแล้วอาเจียนออกมาเราจะตักกลับเข้าไปใน เข้าไปในท้องเข้าไปในปากได้ไหม <c oughs> ต้องดูสภาพของอาหารที่ไม่น่ากินไม่น่าดืม่มแล้วมันก็จะทำให้เราหายอยากหายหิว <c oughs> ต้องมีการมองมุมกลับนี่คือปัญญาเพราะว่าการที่เราไปมองมุมที่น่าดูน่ากินมันก็ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปมองในมุมที่ไม่น่าดูน่ากินมันก็ไม่อยากกินขึ้นมา แล้วมันจะไม่อยากอย่างทาวนเพราะทุกครั้งอยากจะกินมันก็คิดถึงแต่มุมกลับอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากจะกินอะไรมันก็จะไม่มีแต่การกินก็ยังกินได้อยู่แต่ไม่ได้กินแบบด้วยความอยากกินแบบกินยาถึงเวลาก็กินยามียาเท่บกินก็กินแบบกินยาเอาเข้าปากไปแล้วกินเข้าไปให้มันจบๆไป อาหารก็เป็นเหมือนยาเลี้ยงร่างกายรักษาร่างกายให้อยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากโรคหิวโรคหิวของร่างกายอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะกาจัดความอยากได้อย่างท้าวอนต้องไปถึงขั้นปัญญาแต่ก่อนที่จะไปขึ้นถึงขัข้นถึงขั้นปัญญาได้ต้องผ่านขั้นแรกก่อนคือขั้นศีลก่อน เพราะมันมีความยากง่ายต่างกันการรักษาศีลมันง่ายกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้มันง่ายกว่าการใช้ปัญญามาทำลายความอยากอย่างท้าวนอนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องการหยุดการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้ายังไม่สามารถถือศีลแปดได้ก็ต้องหัดรักษาศีลห้าไปก่อนอ เหมือนกับเป็นการเรียนหนังสือถ้ายังไม่สามารถเข้าสู่ชั้นมัธยมได้ก็ต้องไปเรียนชั้นประถมก่อนศีลแปดนี้เหมือนชั้นมัธยมศีนห้าเหมือนชั้นประถมถ้ายังรักษาศีนแปดไม่ได้เข้าโรงเรียนมัธยมไม่ได้ก็เรียนโรงเรียนชั้นประถมไปก่อนเรียนปหนึ 1, ่งปสองไปก่อนรักษาศีลไปทีละข้อก่อนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ ัไปจนให้ครบได้ห้าข้อมาได้ครบหข้อแล้วทีนี้ก็ลองมารักษาศีล8ปดในวันพระก่อนอาทิตย์ละวันก่อนวันธรรมดาก็ถือศีลห้าไปพอวันพระก็ลองมาถือศีล8ปมาเพิ่มอีกสมข้อลองรักษาไปอาทิตย์ละครั้งก่อนพอรักษาได้อาทิตย์ละครั้งก็เพิ่มขึ้นไปอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งขึ้นไปตามกำลัง ของพวกนี้มันพัฒนาได้มันก้าวหน้าได้เหมือนกับการกระทำอะไรต่างๆเราจะทำแบบพูดพาดทีเดียวไม่ได้ถ้าเรายังไม่เคยทำมาก่อนเราก็ต้องค่อยหัดทาเหมือนเด็กเนี่ยเด็กก่อนที่จะเดินจะวิ่งได้ก็ต้องหัดยืนให้ได้ก่อนก่อนจะยืนก็ต้องคลานให้ได้ก่อนมันมีมันมีขั้นตอนของการพัฒนาการ พัฒนาศีลก็แบบเดียวกันก็ต้องเริ่มจากศีลข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อไปก่อนหาศีลข้อที่มันง่ายห้าข้อนี้อันไหนง่ายสุดข้อที่ห้าน่าจะง่ายที่สุดใช่ไหอไม่ดื่มสุราเอข้อที่สองก็ง่ายต่อมาก็ไม่พูดปดไม่พูดปดนี่ง่ายมากก็อย่าพูดเท่านั้นเองมันก็ไม่พูดปลดละเวลาจะพูดแล้วถ้ารู้จะพูดปดก็หุบปากไว้เท่นั้นเอง มันยากตรงไหนพูดปนมันงะมันยากกว่ามันต้องพูดเวลาไม่พูดปนเนยมันง่ายหุบ ป, ปากไว้เฉยๆเท่าอง้น <c oughs> ี่ลองลองหัดรักษาดูถ้าไม่พยายามมันก็ไม่ถ้าไม่เริ่มต้นมันก็ไม่มีวันที่จะ ก้าวหน้าเนีเหมือนเด็กอะถ้าไม่ละไม่หัดคลานมันก็จะมันก็ไม่คานมันก็จะนอนอยู่ทั้งนนะัแต่พอมันหัดคานเดี๋ยวมันหัดคานได้มันก็จะหัดยืนเนี่ยยืนได้มันก็จะหัดเดินหัดวิ่งได้ต่อไปงั้นเราต้องมาหัดรักษาศีลกันก่อนนะเอาทีละข้อก็ได้ถ้าเราไม่สามารถเอาทีละห้าข้อได้ก็เลือก ข้อไหนข้อหนึ่งที่มันง่ายสำหรับเราเราก็เอาข้อนั้นก่อนพอรักษาข้อหนึ่งได้แล้วก็เพิ่มข้อข้อสองข้อสมไปเดี๋ยวก็ได้ห้าข้อแล้วพอได้ห้าข้อก็เพิ่มเป็น8ดข้อเอาทีละทีละข้อก็ได้เอาหข้อก่อนสิ้ินแปดข้อไหนที่เรารักษาได้ง่ายกว่าก็เอาข้อนั้นก่อนไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไม่นอนกับแฟน ถ้าเราเป็นโสดอยู่แล้วก็อาจจะไม่นอนกับแฟนอาจจะง่ายกว่าคนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะเลือกเอาข้อไหนที่ง่ายกว่าแล้วก็ลองรักษาไปแล้วก็ค่อยเพิ่มพึ่งไปที่ะาข้อเดี๋ยวเราก็รักษาได้เองแปดข้อถ้าเรารักษาแปดข้อได้นี้เราจะมีเวลามีกำลังที่จะมานั่งสมาธิได้ละเหมือนกับถ้าเรายืนได้แล้วทีนี้เราก็จะเดินได้ละ เดี๋ยวพอเราเดินได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งได้มันเป็นพัฒนาการทางจิตใจพัฒนาการจากศีลไปสู่สมาธิจากสมาธิไปสู่ปัญญาพอเข้าสู่ศีลได้ก็ไปนั่งสมาธิได้ ถ้านั่งสมาธิถ้ามีความขยันฝึกสติจเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวก็นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิถ้ามีสติควบคุมไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะสงบได้สงบแล้วจิตก็จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะทําให้มีกําลังจิตกําลังใจว่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันไม่ศูนย์เปล่ามันเป็นผลที่วิเศษ มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้เสียสละไปนัติสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เราได้จากตาหูจมูกนิ้นกายที่เราสละไปด้วยการถือศีลด้วยการมาฝึกสมาธิตอนนี้เราได้ผลอย่างคุ้มค่าแล้วได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้เสียสละไปมันก็จะทาให้เราเห็นโทษของความอยากที่จะไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเกิดความอยากเราก็เอาปัญญามาสอนได้ให้เราเห็นว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าตอนไหนหาไม่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในที่สุดก็จะต้องเจอความทุกข์ถ้าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็อย่าไปหามันดีกว่าสู้มาหาความสุขจากความสงบดีกว่าแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงไปกินขนมไปดื่มกาแฟาก็มานั่งสมาธิดีกว่า mm hmm. ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็มานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบถ้าเรานั่งสมาธิเป็นแล้วเราก็จะนั่งได้ง่ายไม่ยาก mm hmm. mm hmm. ทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวอยากแปลไรก็ไปอยู่วัดดีกว่าไม่นั่งสมาธิดีกว่า mm hmm. ทำอย่างนี้ไปต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากจิตจากใจพอหมดแล้วทีนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเองต่อไปเพราะไม่มี <c oughs> ความอยากที่จะมาดึงใจให้มาเกิดใหม่ใจที่ไม่มีความอยากนี่เราเรียกว่านิพานนี่เองนิพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นแต่เป็นสภาพจิตใจที่ได้รับการชำระด้วยศีลสมาธิปัญญาให้สะอาดบริสุทธิ์ โอยสุดปราะศะจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองนี่คือใจของผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราเรียกใจนี้ว่านิพพานเป็นใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจของพระสาวกพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่จะเป็นของเราต่อไปถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้มา หันมาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาจิตใจให้ความสําคัญต่อการดูแลรักษาจิตใจยิ่งกว่าการไปให้ความสําคัญต่อการพัฒนาดูแลรักษาร่างกายที่เรารักษาไม่ได้อยู่ดีเพราะในที่สุดมันก็ต้องพบกับความเสื่อมพบกับความตายไปแต่การพัฒนาจิตใจนี้จะไม่มีวันที่จะพบกับความเสื่อมความความสิ้นเพราะว่าใจนี้ไม่มีวันตาย สิ่งใดที่เราได้พัฒนาอยู่ในใจมันก็จะอยู่คู่กับใจไปตลอดดังนั้นเราจึงควรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนที่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สำคัญกว่าใจเราควรที่จะให้ความสำคัญกับใจด้วยการมาดูแลรักษาใจมาพัฒนาจิตใจด้วยการชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เอง ถ้าเราทําได้แล้วจิตใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจิตใจของพวกเราก็จะไม่ต้องมาแบกร่างกายอย่างที่เรากําลังแบกกันอยู่ทุกวันนี้ร่างกายนี้เราแบกกันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราต้องเลี้ยงดูมันคอยดูแลรักษามันแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตาย ไม่คุ้มค่าหรอกการที่มีร่างกายมีความสุขชั่วประเดียวประดาวเดียวในบ้านปลายของชีวิตก็จะพบแต่ความทุกข์เชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วจะไม่ต้องกลับมาทุกข์แบบนี้อีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวาหาปุราปริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาหราโสยธามณิโชตีหระโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันโต สัพพโรคโควินาสตุมาเตภวตวันตารายโสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุฒาปัจายโนจตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบสี่สองอยสิบเกวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดผู้รับฟังข้างบนนี้สามสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบเอ็ดครับก็แสดงว่านักเรียนเต็มเต็มพิกัดจุคนถ้ามีคำถามอะไรอย่างอื่นก็ถามได้มีใครอยากจะถามไหมสองคนนี้ ถามอ่ะสงคุณยืมแพสเดมิเคิลโฟนเถอะพูดใกล้ๆปากหนนะ่อยนะคือพอดีแม่เพิ่งเสียใกล้ๆหน่อยใกล้ๆปากแม่เพิ่งเสียค่ ะ, ะแล้วหนูไปเห็นภาพตอนที่แม่กำลังจะเสียแล้วมันติดหนูไม่สามารถดำเนินชีวิตต่ อ, อก็มองแม่ว่าเป็นร่างกายของแม่เป็นเพียงตุ๊กตา ไม่ได้เป็นตัวแม่ตัวแม่คือใจที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตัวแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวแม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปเหมือนตอนตอนนี้ก็แม่เหมือนนอนหลับตอนนี้ฝันดีก็ไปรับผลบุญฝันร้ายก็ไปรับผลบาปแล้วพอหมดบุญหมดบาปก็จะไปเตินจะไปได้ร่างกายอันใหม่จะไปเกิดใหม่ คิดอย่างนี้แล้วหนูจะได้สบายใจมาไม่ได้แม่ไม่ได้ตายร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาเป็นเหมือนหุน่นใจเป็นผู้เชิดหุ่นนี่ใจเป็นผู้สั่งให้หุ่นนี้ทำอะไรให้พูดอะไรนี่งั้นเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นของแม่และของหนูเองหนูควรจะย้อนเอาร่างกายของแม่กลับมาเปรียบเทียบว่าต่อไปร่างกายของหนูก็จะต้องเป็นเหมือนกันไม่แตกต่างกัน ร่างกายของคนทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วก็หนูไม่ได้เก็บอัฐิแม่ไว้เลยไม่ต้องเก็บเก็บไว้ทําไมล่ะหนูละหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเอเก็บไว้ทําไมเก็บเงินของแม่ก็พอเงินจะใช้ได้อัฐิเอาไปใช้ไม่ได้เก็บไว้ทําไมจริงไหมจริงแม่ไปแล้วไอ้ที่เหลือไม่ใช่แม่ก็จะไม่เป็นตุ๊กตาที่แม่ใช้อยู่ เป็นเหมือนรถยนต์ที่แม่เคยขับตอนนี้แม่คนขับไม่ได้ขับรถยนต์คันนี้แล้วรถยนต์คันนี้ก็เอาไปขายชิงโกงไปนะแเดี๋ยวแม่ก็ไปซื้อรถคันใหม่ต่อถ้าแม่ทำบุญเดี๋ยวแม่ก็กลับมาเกิดใหม่ได้รถคันดีกว่าเก่าถ้าทำบาปกลับมาเกิดก็จะได้รถแย่กว่าเก่าแต่เราห้ามไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมต้อง เกิดขึ้นกับทุกๆคนทั้งเขาทั้งเราต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนแม่ต่อไปเราก็จะต้องทิ้งร่างกายอันนี้แล้วเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปเหมือนตอนที่เรานอนหลับรลบวฝันไปพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ได้แม่คนใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่ต่อไปข้าใจจะได้ไม่ไม่เศร้าโศกเสียใจนะ คำถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับจากคุณชัยวัตรสวัสดีกราบนมัสการครับพระอาจารย์เมื่อคืนผมฝันว่ามีคนมาบอกอีกไม่นานหนึ่งถึงสองอาทิตย์จะเสียชีวิตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมไหมครับผมกังวลใจมากครับก็ต้องรอดูเลยสองอาทิตย์จะเป็นยังไงแต่าตายมันตายแน่เป็นแต่วย่าตายสองอาทิตย์รืย อ, อีกตายสองปีเลยยี่สิบปีมัอันนี้ไม่มีใครรู้แน่ ความฝันอาจจะเป็นเพียงแต่ความเพ้ อ, เพอฝันของเราก็ได้คิดไปเองก็ได้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งมันจะได้ทำให้เราเกิดสติขึ้นมาธรรมดาถ้าเราไม่ได้ฝันเรื่องแบบนี้เราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปได้เรื่อยพอเรามาฝันว่าเราจะต้องตายภายในอาทิตย์สองาทิตย์มันก็จะได้กระตุ้นสติเราว่าให้ทำไงดีว้ยเดี๋ยวจะต้องตายนะจะได้เรียนาวิธี เผชิญกับความตายต่อไปเราโชคดีเรามีพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นครูสอนให้เราเป็นโค้ชให้เราไปสู้กับความตายได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่เราจะเดือดร้อนกันมากเวลาที่เราจะต้องขึ้นเวทีสู้กับความตายถ้ามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่า ไปมีอแล้วก็ปล่อยมันเท่านั้นถึงมันจะตายก็มันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราเราเป็นคนใช้นร่างกายเราเป็นเจ้านายมันร่างกายเป็นคนรับใช้เราเท่านั้นเองถึงเวลาจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราปล่อยเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมปล่อยเราอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆาแต่มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้มันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไป อันนี้เรียกว่าฝันดีรู้ไหมควรจะทําให้เราได้เอรีบหาที่พึ่งซะเหมือนกับว่ามีคนมาบอกว่าคุณจะต้องเข้าห้องสอบนะเอคุณเตรียมทําข้อสอบหรืยอยังเอถ้าคุณรู้ว่าจะต้องทําข้อสอบทำเข้าห้องสอบคุณมีเวลาต้องสองอาทิตย์คุณก็ไปรีบทําเตรียมข้อสอบไว้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบคุณก็จะสอบผ่านได้อย่างสบายดีกว่าตายแบบกระทันหันแบบไม่มีล่วงหน้ามาก่อน ถ้าตายแบบนั้นคุณก็จะสอบตกเพราะคุณยังไม่ได้เตรียมตัวไว้ยั้นดีแล้วขอให้คิดว่าเป็นฝันดีฝันว่าเราจะต้องตายไม่สองอาทิตย์ก็มันก็ต้องเลยสองอาทิตย์ไปแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายดัยงนั้นถ้ามันยังเป็นปัญหากับเราอยู่เรายังตอบโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เราต้องรีบไปหาคําตอบไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระธรรมคําสอนศึกษาจากพระ อ, อริยสงสาวกแล้ท่านจะสอนให้เราวิธี ปฏิบัติกับความตายพอเชิญกับความตายได้อย่างสงบได้อย่างไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนคำถามต่อไปจากคุณสุภาวดีหนูรู้สึกว่าหนูเลวจิตใจแย่โมโหตัวเองคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกรรมแต่เกิดจากการกระทาของหนูจริงๆหนูควรทาอย่างไรดีคะ เมื่อหนูรู้ว่ามันมันไม่ดีเพราะการกระทำของหนูหนูก็หยุดเสียท่านั้นเองหนูเคยทําบาปก็หยุดทําบาปเมื่อหยุดแล้วต่อไปหนูก็จะกลายเป็นคนดีขึ้นมาเองเอห็นดีแล้วที่หนูรู้ว่าหนูไม่ดีแล้วรู้ว่าที่หนูไม่ดีไม่ใช่เพราะคนอื่นทําให้หนูไม่ดีหนูไม่ดีเพราะการกระทําของหนูเองหนูไม่รักษาศีลห้าหนูหันรักษาศีลห้าสี่ อย่าพูดปดอย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าเด่นสุรายามเมาพยายามหักห้ามจิตใจถ้าอยากจะเป็นคนดีต้องไม่ทำบาปแล้วเดี๋ยวต่อไปหนูก็จะเป็นคนดีขึ้นมาเองถ้าหนูเห็นแก่ตัวหนูก็ต้องเปลี่ยนนิสัยจากคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่เสียสละ คิดถึงผู้อื่นแบ่งปันมีอะไรก็แบ่งกันอย่าแย่งกันอย่าเอาประโยชน์ตนอย่างเดียวคิดถึงองคคนอื่นด้วยแบ่งกันดีกว่ากินสองคนดีวกว่ากินคนเดียวมีความสุขกว่าสุขด้วยกันสองคนกับสุขคนเดียวอีกคนหนึ่งทุกนี่อย่างไรจะดีกว่ากันให้คิดในทางบวกคิดในทางที่ถูกที่ต้องแล้วหนูจะก็จะสามารถทาความดีได้หยุดการกทาไม่ดีได้ แล้วต่อไปหนูก็จะมีความรู้สึกที่ดีมีภูมิมีความภูมิใจในในในความดีของตนเองมีความสุขกับความดีของตนคำถามต่อไปจากคุณจตุรนกราบนมัสการครับขอกราบเรียนถามว่ากระผมภาวนาพุทโธไม่ว่าอารมณ์และความคิดอะไรเกิดขึ้นกระผมจะพุทโธเร็วๆจนบางครั้งเห็นอารมณ์และความคิดเกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วดับบางครั้งรู้สึกโล่งๆเพลินๆกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าถูกไหมครับและควรทำอย่างไรต่อไป ถูกแล้วล่ะสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คือถ้ามีเวลาว่างก็ควรจะนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปมันจะได้นิ่งจะได้สงบมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้นั่งพยายามนั่งให้มันสงบให้มันนิ่งแล้วจะมีจิตใจจะมีกำลังจะมีสติจะมีกำลังมากขึ้นบางทีจะไม่ต้องพุโทโธแล้วจะสามารถเห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่ต้องทาอะไร คำถามต่อไปจากคุณพาลิดาจะทำอย่างไรดีคะที่จะไม่ทำความชั่วรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลามีการทำบาปถึงแม้จะนานนานทีอยากที่จะเลิกทำให้ได้ตลอดอยากให้มันไม่มีเชื้ออีกจะทำอย่างไรไม่ให้ความคิดฝ่ายชั่วมันเหนือฝ่ายดีถึงแม้ว่าจะนานนานครั้ง แต่ก่อนเดือนสองเดือนทำตอนนี้ครึ่งปีทำครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่าเรายัางดีไม่พอคะ่ะก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นสตินี้จะเป็นตัวหยุดการกระทาต่างๆได้พยายามฝึกสติบ่อยๆพุโทโธพุโทโธไปอย่าคิดอย่าทำตามความอยากที่ไม่ดีแล้วต่อไปพอถึงเวลาที่จะหยุดก็จะหยุดได้ คำถามต่อไปจากคุณวิทยากราบนมัมการพระอาจารย์ครับขอสอบถามเรื่องการฝึกสติครับตอนนี้มีความรู้ทางกายข้างในมักจะมีอาการเส้นตึงแน่นขยับอยู่ภายในตลอดเป็นๆหายๆตลอดเลยครับจะแก้ไขได้อย่างไรครับอันนี้เป็นอาการแบบเป็นตลอดเวลาหรือเป็นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิ ถ้าเป็นอาการที่เกิดตลอดเวลาก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ดูว่าร่างกายมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็อย่าไปสนใจมันเป็นอาการของกิเลสเรื่อการเกรงตัวเวลานั่งสมาธินี้จิตมันจะเกรงมันจะทำให้ร่างกายเกรงไปจะทำให้รู้สึกอึดอัดแน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้ตึงตรงนั้นตึงตรงนี้ ถ้าเป็นเกิดเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิไม่ต้องกังวลมันไม่มันเป็นมายามันไม่มีความเสียหายต่อร่างกายขอให้เราทุ่มเทไปอยู่กับการเจริญสติถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการที่ปรากฏถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการที่ปรากฏเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณปอ ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนมีชีวิตอยู่เข้าใจธรรมแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตายไปแล้วความรู้ความเข้าใจในธรรมะจะยังติดอยู่กับจิตใจหรือไม่อย่างไรครับถ้าเป็นความเข้าใจที่ที่จํานี่มันจะหายไปได้แต่ถ้าเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการรู้จริงเห็นจริงเกิดจากการปฏิบัตินี่มันจะไม่หายเนี่มันอยู่ที่ว่ามันเป็นความจําหรือเป็นความจริง ความจำเช่นวันนี้ฟังเทศฟังธรรมจําได้อีกสองสามวันลืมไปแล้วถ้าสองสามวันลืมไปแล้วตายไปมันก็ลืมไปแต่ถ้าเป็นความจรงิงอีกสามวันอีกสามสิบปีมันก็ไม่ลืมอันนั้นก็จะเป็นความจรงิงมันก็จะติดตามติดไปกับใจตลอดเยันธรรมะมันมีอยู่สองระดับระดับความจํากับระดับความจรงิงความจําก็เกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอันนี้ยังเป็นระดับความจําอยู่ ความจริงก็เกิดจากการที่เรานำเบาไปปฏิบัติคำถามต่อไปจากคุณยาธิดาขออนุญาตกราบสอบถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรจะไม่ฆ่ายุงหรือมดสัตว์ตัวเล็กๆ ล, ลูกไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ใหญ่แต่สัตว์เล็กเช่นยุงมดอดฆ่าไม่ได้เพราะเป็นคนที่แพ้ยุงและมดเวลาโดนกัดโชค่ะก็อคอยปัดมันคอยไล่มันสิ อย่าไปอย่าไปตบมันพยายามเข้าเวลามียุงก็เข้าไปในห้องมีมุ้งรวดอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ข้างนอกก็ใช้อะไรคอยปัดคอยไล่มันไป จ, จุดยากันยุงหรืออะไรไปทายากันยุงไปก็ได้ไม่ไม่บาปนะเช่นมียากันยุงทานี้ก็ทากันไว้ไม่บาปจุดยากันยุงก็ไม่บาปเข้าไปอยู่ในมุ้งรวดก็ไม่บาป อย่าไปทุบอย่าไปตีอย่าไปตบมันอย่าไปฆ่ามันคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ได้ซื้อผ้าขาวเพื่อทำบุญกะถินแต่มีท่านอื่นๆต้องการขอร่วมบุญด้วยแต่พอหลายๆท่านมาร่วม รวมกันแล้วยอดเงินเกินจากที่เราจ่ายค่าผ้าขาวที่ซื้อมาขอข้าบเรียนถามว่าลูกจะได้บุญจากการซื้อผ้าขาวนี้หรือไม่เจ้าคะส่วนเงินที่เกินมาจากราคาจริงของผ้าขาวถ้าเรานํามาใช้จ่ายจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะไม่เป็นบาปเราแต่มันไม่เป็นบุญแสดงว่าคนอื่นเขาทําบุญแทนเราถ้าเราอยากจะทําบุญก็เอาเงินที่เกินนี้ไปถวายวัดไป จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆก็ได้ผ้านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรถินนั่นนั่นเองความจริงเดีวนี้ผ้านี้เป็นส่วนย่อยเสียด้วยซ้ําไปส่วนใหญ่มันเป็นเงินที่ถวายเพื่อบุรณะซ่อมแซมหรือก่อสร้างถาวา ล, ลวัตถุต่างๆหรือจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆอันนี้เป็นส่วนที่กระถิ่นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป้าหมายของการทํากรถินสมัยนี้ไม่ใช่อยู่ที่ผ้าผ้ามันไม่กี่ตังหรอกเพื่อนึงไม่กี่ร้อย อที่ก็ถวายกันเป็นแสนเป็นล้านก็เพราะว่าวัดวาต้องการมีการบูรณะซ่อมแซมมีการทํานุบํารุงรักษาถ้าเราอยากจะมีวัดไว้ที่เป็นที่พึ่งของเราเราก็ต้องดูแลวัดวาอารามเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจ ถ, ถวายผ้าแล้วคนอื่นเขาจะขอเป็นเยอดภาพก็ได้แล้วเราก็เอาเงินที่จะเป็นถวายผ้านี้ไปจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าทํานุบํารุงวัดต่อไปก็ได้ เราจะได้ทําบุญไม่เช่นั้นเราก็จะไม่ได้ทําบุญเท่านั้นเองถ้าไม่ได้ทําบุญก็จะไม่ได้บุญตายไปก็ไม่ได้บุญเงินทองที่มีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็อยากจะถามใช่ไหมทําไมสมาธิถึงทไมสมาธิถึงมาก่อนปัญญาคะก็เพราะมันง่ายกว่าไง มันไม่ได้มาก่อนแล้วแต่มันต้องทําก่อนทําไมต้องเรียนปปฐมก่อนไปเรียนมัธยมอะเพราะมันง่ายกว่าใช่ไหมไปเรียนมัธยมก่อนปถมได้นหะ ม, มันยากกว่ากันะแล้วถ้าหากเราไม่มีปัญญาในการทําสิ่งที่ถูกต้องคือมีปัญญาในการดําเนินการที่เราจะทําสมาธิอะค่ะก็ต้องมีคนสอนไงมาฟังเทศฟังธรรม จะได้รู้ว่าวิธีทำสมาธิทำอย่างไรวิธีทำปัญญาทำอย่างไรทำอันไหนก่อนทำอันไหนหลังอันนี้ก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งปัญญาเริ่มต้นปัญญาคือปัญญาความรู้ที่จะพาให้เราไปสู่การพัฒนาสมาธิกับปัญญาที่ที่เป็นปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสมันปัญญาคนละแบบกันเข้าใจายัง ทำไมต้องรักษาศีลก่อนศีลมันง่ายกว่าสมาธิทำไมต้องนั่งสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิไปสร้างปัญญาไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสุนันขอกราบนมรสการพระอาจารย์ขอถามลูกกับสามีคุยกันไม่ค่อยได้เลยค่ะปรึกษากันไม่เกินสามสี่คำก็เถียงกันทุกครั้ง สามีลูกเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่ายใช้อารมณ์กลุ้มใจมากเลยค่ะบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่บ้านเลยขอคำปรึกษาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางให้ลูกด้วยเจ้าค่ะแต่ลูกอยากจะไปบวชปฏิบัติธรรมมากเลยค่ะ แต่ยังไม่มีปัจจัยที่จะไปปฏิบัติธรรมอยากไปแต่ปัจจัยยังไม่เพียงพอที่จะออกจากบ้านลูกอยากไปตามวัดป่าชอบปีกวิเวกพระอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยเจ้าค่ะอ๋อเวลาไปเที่ยวมีเงินไปเที่ยวเวลาไปบวชไม่มีเงินไปปฏิบัติ แปลกนะไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวที่ไหนมีเงินเป็นหมืน่นเป็นแสนไปได้เวลาไปอยู่วัดนี้มีปัญหาขึ้นมาไม่มีเงินไปไปวัดไม่มีเงินก็อยู่ได้เขาไม่ได้เรียกร้องให้เอาเก็บเงินเราสัหน่อยไปอยู่วัดเราก็ไปเอา เราก็ไปทำงานชดใช้เป็นค่าใช้จ่ายก็ได้ไปช่วยเขาล้างถ้วยล้างชามไปช่วยเขากวาดเขาถูเดี๋ยวเขาก็จะเชิญเราอยู่ซิอเ่าง mm hmm. ทางวัดเ็าไม่ได้มาเรียกร้องเงินทองหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรามีเงินทองก็ควรจะช่วยเหลือกันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีเงินทองแล้วก็อยู่วัดได้ไปอยู่วัดได้ถามเขาว่าจะมาช่วยทางานที่วัดได้ไหมแทนจ่ายเงินทอง มันก็ต้องดูก่อนว่าเราไม่มีจริงหรือเปล่าหรือว่าพอจะไปใช้เงินที่วัดกับไม่มีไม่มีพอจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ากับมีอย่างนี้มันก็ต้องดูว่ามันมันจริงก็ไม่จริงนะไม่มีเงินจริงหรือมีจไม่มีจริงนะส่วนเรื่องสามีกับเราที่คุยกันไม่ได้ก็อยอกคุยก็แล้วกันก็คุยเรื่องที่คุยได้เรื่องที่คุยไม่ได้ก็อยอกคุยเอเรื่องคุยเรื่องที่เขาชอบคุยก็เขาก็จะคุยกับเรา ไปชอไปคุยกับเรื่องที่เขาไม่ชอบคุยเขาก็ไม่อยากจะคุยกับเราเนี่ยสิถ้าเราชอบไป ก, กันะแหนกแหนเขาไปไปจู้จี้จุกจิกกับเขาเขาก็ไม่อยากจะคุยกับเราเนยพูดทำไมไม่คุยแบบสมัยที่เจอกันใหม่ๆมีแต่จู้จีกันเพรนั้นคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนใช่หไหมนั่นแหละอยู่ที่เรานะเราไปเรื่องความเรื่องคุยมากกว่ามันไปเรื่องคุยเรื่องที่เขาไม่อยากจะคุยก็ไม่อยากจะฟังมันก็ทะเลาะกัน ทำให้ไม่คุยเรื่องที่สมัยเหมือนตอนที่เราเจอกันใหม่ๆจับจูจีกันอย่างวุ่นอย่างนี้คุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนคำถามต่อไปจากคุณการมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่ง งานพิธีมงคลต่างๆเช่นการก่อสร้างอาคารการเปิดกิจการต่างๆมักมีพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาด้วยคำถ า, ถามเทวดาสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของพราหมณ์พูดมาในสอนเรื่องพิธีบวงสรวงอะไรต่างๆเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาเชื่อว่า เ, าเทวดามีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ทางพุทธศาสนานี้ถือว่าไม่มีสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ก็คือกรรมกฎแห่งกรรมงั้นให้ทําความดีไว้ก็พอไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําพิธีบวงสวงอะไรต่างๆทํากิจการก็ทําให้แบบซื่อรรสัตย์สุจริตอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดศีลธรรมก็กิจกรรมก็จะเจริญก้าวหน้าลุ่งเลืองไปเอง คำถามที่สองต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนจึงจะรู้ว่าเทวดามีจริงครับอ๋อก็ขั้นสมาธินี่ก็จะเข้าใจเรื่องจิตจะเห็นจิตจะเห็นจิตว่าจิตนี้เป็นผู้ไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรต่าง คำถามต่อไปจากคุณสุภัตรากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาคนถูกฆ่าตายทำไมต้องอยากให้คนที่ฆ่ามาขอขมามีจุดประสงค์เพื่อคนตายอย่างไรเจ้าคะไม่มีหรอกมันเป็นเหมือนกันเราเป็ น, ปน ร, ปร่วงเกินใครเราถ้าอยากจะให้เขาเอาโหสิให้อภัยเราเราก็ไปขออภัยเขาส่วนเขาคนที่เขาถูกร่วงเกินเขาจะเอาโหสิให้หรือไม่ก็แล้วแต่เขา บางทีเราไปตีหัวเขาแล้วเราไปขอขอมาเขาเนี่ยเขาจะเอาโหสีให้เราหรือเปล่าถ้าเขาไม่หสีก็ทําอะไรไม่ได้ก็ก็ให้เขาตีหัวเรากลับสีมันนี่แล้าเขาอาจจะโหสีให้เราไปขโมยเงินเขาแล้วเอาไปไปขอโหสีนี่เขาจะาหัวสีให้เราหรือเปล่าถ้าเอาเงินไปคืนเขาก็าอาจจะหัวสีให้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เราจะอปวดเบื้องอโทษหรือ เวรกรรมที่จะตามมาเพราะว่าถ้าเราไปทำร้ายใครใครแล้วคนที่เขาถูกทำร้ายเ็าจะจองเวรจองกรรมเราถ้าเราไม่อยากให้เขาจองเวรจองกรรมเราเราก็ต้องไปขออโหสิต้องไปกระทำอะไรที่เขาพอใจเขาก็จะอโหสิให้ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็จะไม่อโหสิให้คำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วมีสองคำถามครับกราบนมัสการค่ะ คำถามที่หนึ่งถ้าเรารักษาศีลห้าสลับกับศีลแปดรวมถึงทำทานรักษาศีลและภาวนาไปตลอดชีวิตก็ยังไม่มีโอกาสหลุดพ้นจนกว่าจะได้โสดาเป็นพระโสดาบันใช่ไหมเจ้าคะเออต้องใช้ปัญญานอกจากสมาธิแล้วเราต้องหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา มันพิจารณาสุภะมันพิจารณาปฏิกูลของอาหารเราจะได้กำจัดความอยากต่างๆคำถามที่สองการฝึกสติในทุกขณะแต่ยังไม่บรรลุธรรมจะเป็นนิสัยไปชาติต่อไปไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่ามันฝังลึกไม่ฝังลึกสติที่เราเฝึกฝนอบรมมันก็มีโอกาสเสื่อมได้มีโอกาสจเจริมได้ ท้าไมไม่รักษามันก็จะเสื่อมได้คำถามต่อไปจากคุณจุธาทิพย์กราบเรียนถามค่ะสามีที่บ้านเป็นคนตรนีมากค่ะจะทําบุญสักทีก็ต้องโกหกอย่างนี้จะผิดศีลใหม่เจ้าคะแล้วเราจะได้บุญไหมคะโยมจะต้องทําอย่างไรก็ไม่ต้องโกหกก็เนี่ยถ้าเป็นเงินของเราเราจะทําบุญก็เรื่องของเราทําไมต้องไปโกหกเขาด้วย กมันก็มันก็เป็นบาปอย่าไปอย่าไปโกหกถ้าไม่ใช่เป็นเงินของเราเราก็อย่าไปทำเอาเงินของเราคำถามต่อไปจากคุณอรรยากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทุกเช้าพาลูกไปใส่บาตรเราจัดของให้ลูกใส่และยืนประนมมือข้างๆลูกแต่เราน้อมจิต ไปด้วยรู้สึกสงบและนิ่งสบายอาการเหมือนที่เวลานั่งสมาธิแล้วไม่วอกแวกเลยเจ้าค่ะแบบนี้เรียกว่าเรามีสมาธิใช่ไหมเจ้าคะก็มีสมาธิในระดับนั้นแต่มันมีหลายระดับยังไม่สมาธิแบบจิตรวมจิตรวมนี่มันจะต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตามันจะมีอุเบกขาขึ้นมาจิตใจมันจะเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ถึงจะเป็นสมาธิระดับแบบเต็มที่ระดับที่เรามีนั่นก็เป็นระดับชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเอาคำถามสุดท้ายนะคาถามสุดท้ายสำหรับวันนี้จากคุณอ้อครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งรักและผูกพันกับเขามาก กำลังไม่สบายและลูกกลัวว่าเขาจะต้องตายพยายามทาใจว่าเราเองก็ต้องจากไปในวันหนึ่งเช่นกันพยายามหักห้ามความเสียใจของตัวเองแต่ก็ยังเศร้าอยู่มากๆค่ะลูกควรวางใจอย่างไรที่จะทำใจเรื่องนี้ให้ได้เจ้าค่ะก็ดูว่าแมวนั้นร่างกายของแมวไม่ใช่ตัวแมวตัวแมวก็คือดวงจิตดวงใจ ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแมวร่างกายแมวตายไปแต่ตัวแมวไม่ได้ตายตัวแมวก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะได้พ้นวะพ้นเวรพ้นพ้นบาปแล้วก็ได้เาฉะนั้นไม่ต้องไปมีความรู้สึกเสียใจการตายนี่เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเปลี่ยนร่างกายจากอีกร่างหนึ่งที่มันเก่ามันใช้ไม่ได้หมดสภาพแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นร่างกายอันใหม่ เพียแต่ว่าเราอย่าไปเร่งก็ให้มันเปลี่ยนเช่นเขายังไม่ตายเราก็รีบทำให้เขาตายฆ่าเขาอางีไม่ถูกอางนี้เป็นการกระทำบาปไม่ควรทำ่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราจะเราจะได้ไม่มีบาปมีกรรมเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุข